ให้เหมาะสมกับหน้าที่ของเราคนมันต้องรู้จักหน้าที่ของคนถ้าไม่รู้จักหน้าที่ของคนแล้วก็รู้จักหน้าที่อะไรมันก็ไม่ไม่รู้จักหน้าที่อะไรเลยรู้จักหน้าที่ของเปรตเปรตเปรลักษณะยางไงไม่รู้เพราะไม่รู้ลักษณะของคนหนึ่งจดเดลสารมีลักษณะยังไงไม่รู้อาตุลกายมีลักษณะยังไงไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดเลย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 มือเรานี่วิ่งไปจับอาหารแล้วก็ให้รู้เอาเข้ามาในปากเราเคี้ยวข้าเข้าไปจะให้รู้เราเกืนเข้าวลงไปในท้องก็ให้รู้เมื่อเราไปคูยอยู่แล้วไม่มีโอกาสเลยหลวงพ่อไม่มีเวลาที่จะรู้ได้อายุสี่สิบหกปียังรู้เรื่องนี้ขึ้นมาโอโ้โหมันตายแล้วเนี่